วันนี้ญาติโยมก็มาทำบุญทำทานมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันเป็นการกระทำที่ไม่สูญเปล่าเป็นการกระทำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเป็นเหมือนกับการ เ, าเปลี่ยนทรัพย์ ภายนอกให้ไปเป็นทรัพย์ภายในเปลี่ยนทรัพย์ของร่างกายให้ไปเป็นทรัพย์ของจิตใจพอร่างกายต่อไปก็จะต้องตายไปพอตายไปแล้วทรัพย์ต่างๆของร่างกายใจก็เอาไปไม่ได้ใจต้องแยกออกจากร่างกายใจจะมีทรัพย์ติดตัวไป ก็ต้องเปลี่ยนทรัพย์ของร่างกายมาเป็นทรัพย์ของจิตใจทรัพย์ของจิตใจก็คือบุญบุญที่เราทำกันไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลภานนี่เป็นการเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้มาเป็นทรัพย์ภายในเปลี่ยนจาก ทรัพย์ของร่างกายที่เราเอาติดตัวไปไม่ได้ให้มาเป็นทรัพย์ของใจที่ใจจะเอาติดไปได้ใจของพวกเราไม่มีวันตายเมื่อถึงเวลาร่างกายก็ต้องตายไปอายุไม่เกินนอ้อยปีเป็นส่วนมากก็ เป็นการสิ้นสุดของร่างกายแล้วทรัพย์สมบัติต่างๆที่หามาได้ผ่านทางร่างกายก็จะไม่เอาติดไปได้แต่ถ้าใจฉลาดใจได้มาพบกับคนฉลาดหรือตัวแทนของคนฉลาดคือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราก็จะได้ ยินได้ฟังคำสอนที่ให้มาทำบุญกันทำบุญด้วยการให้ทานทำบุญด้วยการรักษาศีลทำบุญด้วยการภาวนาบุญเหล่านี้เราเอาไปได้ใจเอาไปได้เราก็มาจากใจเราอยู่กับใจเราไม่ได้เป็นร่างกาย ร่างกายเป็นคนรับใช้เราเราเป็นนายร่างกายเป็นคนรับคำสั่งจากเราเราต้องการมาที่นี่เราก็สั่งให้ร่างกายพาเรามาที่นี่ก่อนจะมาที่นี่เราก็ต้องคิดก่อนคิดว่าวันนี้สะดวกมีเวลาว่างจะไปไหนดีก็คิดว่ามาวัดมาที่นี่ ใจต้องเป็นผู้คิดร่างกายคิดไม่มีความคิดในตัวของร่างกายร่างกายเป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้ไม่มีความคิดชั้นใดร่างกายก็ไม่มีความคิดชั้นนั้นต้นไม้ไม่มีความรู้สึกไม่มีความรับรู้ชั้นใดร่างกายก็ไม่มีการรับรู้ชั้นนั้น ผู้ที่รับรู้ผู้ที่คิดนี้คือใจใจเป็นผู้รับรู้สิ่งต่างๆที่ทางร่างกายทางทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วใจเป็นผู้รับรู้อีกทีว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไร ร่างกายนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปที่มากับโทรศัพท์นี่มีทั้งที่รับภาพกับรับเสียงตัวกล้องเองนี่ตัวโทรศัพท์เองมันไม่รู้ว่ามันรับภาพอะไรรับเสียงอะไรผู้ที่รู้คือผู้ที่ใช้โทรศัพท์นี่ผู้ที่ใช้โทรศัพท์มีตา มีใจผู้รับรู้อีกทอดหนึง่งนี่คือพูดให้เราเห็นว่าในตัวเรานี้มีสองสองฝ่ายสองคนมีร่างกายกับมีใจร่างกายนี้เป็นเหมือนต้นไม้มาทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนต้นไม้ ต่างกันตรงที่ร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นและกายที่สามารถสัมผัสรับรูบรปเสียงกลิ่นรสผดพทพะได้แล้วก็มีใจมาเป็นผู้ผู้คอบคองร่างกายอีกทีหนึ่งใจเป็นเจ้านายของร่างกายใจรับรูปเสียงกลิ่นรส ผธทพัตจากร่างกายแล้วก็สั่งให้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพัตต่างๆที่ร่างกายไปรับรู้มาที่ร่างกายไปรับมาพอใจรู้ภาพว่าภาพนี้น่าดูน่าชมก็อยากได้ก็สั่งให้ร่างกายไปเอาภาพนั้นมาเช่นเห็นภาพรถยนต์ มีรถยนต์รุ่นใหม่ออกมาใจเห็นแล้วใจก็ติดใจชอบใจก็สั่งไปที่ร้านขายรถยนต์ถามราคาว่าตกเท่าไหร่พอใจพอพอมีเงินพอก็สั่งให้ร่างกายโอนเงินให้กับร้านขายรถไปร้านขายรถก็บอกรถมาให้กับร่างกาย แล้วใจก็สั่งให้ร่างกายขับรถไปไหนมาไหนนี่คือการทำงานของใจกับร่างกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้ที่ไม่มีวันตายร่างกายมีวันตายช่วงที่มีร่างกาย ใจก็อาศัยร่างกายเป็นผู้ไปหาความสุขต่างๆมาให้นี่เองไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจพอได้อะไรที่ถูกใจมาแล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมาชั่วระยะหนึ่งเป็นความสุขเดียวๆเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วก็จางหายไปพอจางหายไปก็ ต้องไปหาสิ่งใหม่มาเพิ่มความสุขให้อีกหรือสิ่งเดียวกันเช่นกาแฟดื่มแล้วหมดแล้วความสุขที่ได้จากกาแฟก็หมดแล้วเหล่านั้นอถ้าอยากจะได้ความสุขอีกก็ต้องไปดื่มกาแฟใหม่อีกแก้วหนึ่งต้องเดิมไปเรื่อยๆต้องเติมไปเรื่อยๆซื้อรถคันใหม่มาใช้สักระยะหนึ่ง เดี๋ยวมันก็เก่าเดี๋ยวมีรถรุ่นใหม่ออกมาดีกว่าคันเก่าก็อยากได้ก็เปลี่ยนพอเวลาเปลี่ยนรถใหม่ก็เกิดความสุขขึ้นมาอีกนี่คือความสุขที่ใจใช้ร่างกายไปหามาเป็นความสุขแบบชั่วคราวทั้งนั้นไม่มีความสุขแบบไหนที่ให้มาแล้วจะเกิดความพอ ซื้อรถคันนี้แล้วไม่อยากจะได้รถคันใหม่อีกต่อไปไม่มีได้อะไรมาแล้วไม่นานมันก็กลายเป็นของเก่าไปพอเก่าวแล้วความสุขที่เคยได้จากมันก็หายไปก็เลยอยากจะได้ความสุขใหม่ก็ต้องซื้อรถใหม่ซื้อของใหม่อยู่เรื่อยๆช่วงที่มีร่างกายก็พอที่จะหาความสุขให้กับใจได้ แต่ช่วงที่ไม่มีร่างกายนี้ใจจะหาความสุขจากอะไรอันนี้เป็นคำถามที่พวกเราไม่กล้าถามกันไม่กล้าคิดกันเพราะเราไม่รู้กันว่าเราเป็นอะไรกันแน่ส่วนใหญ่นี่ร้อยทั้งร้อยคิดว่าเป็นร่างกายกันทั้งนั้นคิดว่าพอร่างกายตายไปแล้วก็จบ ไม่มีอะไรจะตามมาอีกต่อไปพวกที่มีความเชื่อในาศาสนาก็เชื่อว่าออยังมีดวงวิญญาณที่ไปต่อแต่ไปไหนไ ป, ไปเป็นอะไรอย่างไรนี้ไม่ไม่รู้กันรู้เพียงแต่ว่าออไปสวรรค์ไปนรกเป็นเพียงแต่ชื่อแต่จริงๆแล้วไม่รู้ว่าสวรรค์นรกนี้ มันเป็นอย่างไรกันต้องเจอคนที่รู้จริงๆคือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ผู้ที่สามารถเปิดตาที่จะเห็นโลกเห็นสวรรค์เห็นเห็นโลกของดวงวิญญาณได้ถึงจะสามารถเห็นความจริงทุกสัต์ทุกส่วนของโลกของดวงวิญญาณนี่ว่าเป็นอย่างไร ะจะจะทำอย่างไรถ้าอยากจะต้องการโลกของดวงวิญญาณที่มีทั้งสองรูปแบบคือโลกของดวงวิญญาณที่เป็นที่มีแต่ความสุขหรือโลกของดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวที่จะสร้างให้ ดวงวิญญาณนี้ไปอยู่ในฝากที่ให้ความสุขหรือไปอยู่ในฝากที่ให้ความทุกข์เนี่ยต่งรอคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้ได้ปฏิบัติธรรมได้ภาวนาได้เปิดตาทิพขึ้นมาตาทิพก็คือตาใจนี่แหละ ใจเรามีตาแต่ตอนนี้ใจไม่ใช้ตาของตัวเองมาใช้ตาของร่างกายแทนมาสายตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายจึงเห็นแต่สิ่งที่ร่างกายเห็นได้ยินแต่สิ่งที่ร่างกายได้ยินได้ยินแต่สิ่งที่มีอยู่ในโลกของร่างกายได้สัมผัสได้รับรู้สิ่งที่มีอยู่ในโลกของร่างกาย แต่สิ่งที่มีอยู่ในโลกของใจนี้ใจมองไม่เห็นเพราะใจปิดตาของตนเองไว้ไม่ใช้ตาของตนเองไม่เปิดตาของตนเองมาพึ่งอาศัยตาหูจมูกร่้นกายของร่างกายเลยมองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกที่ที่เหมือนกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกของร่างกาย ถ้าได้มาภาวนาตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเปิดตาไหนจะเปิดตาของใจขึ้นมาแล้วจะเห็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆที่ไปอยู่ในในในส่วนต่างๆของโลกของดวงวิญญาณที่มีแบ่งเป็นโซนๆเป็นเหมือนทวีปในโลกนี้ เรามีแบ่งทวีปเป็นทวีปเอเชียทวีปยุโรปทวีปอเมริกามีคนอยู่ในแต่ละทวีปมีความสุขมีความทุกข์มากน้อยต่างกันไปในโลกของดวงวิญญาณก็มีโซนมีทวีปที่แบ่งให้ดวงวิญญาณไปอยู่กันมีมีม มีโซนที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความร้อนมีแต่ความหิวมีแต่ความหวาดกลัวมีแต่ความเครียดแค้นคาตพยาบาทแล้วก็มีโซนที่มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายมีแต่ความเพลิดเพลินบันเทิงใจนี่คือโลกทิพย โลกของดวงวิญญาณโลกของใจที่ใจจะไปสัมผัส ต, ตอนที่ไม่มีร่างกายพอตอนไม่มีร่างกายก็จะถูกบังคับให้ต้องใช้ตาในไปสัมผัสรับรู้ต้องใช้ตาหูจมูกนิ้นกายของใจไปรับรู้รูปเสียงกลิน่นรสผลพระของโลกของวิญญาณนี่คือ ความจริงที่พวกเราไม่รู้กันคนที่ไม่เข้าหาศาสนาโดยเฉพาะไม่เข้าหาพุทธศาสนานี้จะไม่รู้เรื่องของโลกของดวงวิญญาณว่าเป็นอย่างไรจะไม่รู้โลกไม่รู้เรื่องของจิตใจว่าเป็นอย่างไรจะคิดว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นอันเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายจิตใจคือความรู้สึกนึกคิด คิดว่าเป็นส่วนเดียวกันกันกบร่างกายคือคิดว่าอยู่ที่สมองส่วนใหญ่นักวิจัยทางทางโลกนี้เวลาเขาจะศึกษาเรื่องความรู้สึกนึกคิดนี้เขาจะไปหาที่สมองเพราะสมองนี้เป็นที่ควบคุมบังคับาการทำงานต่างๆของร่างกายก็เลยคิดว่าสมองนี้เป็นผู้สั่งการ ความจริงสมองเป็นเพียงแต่ผู้ประสานการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายแต่ไม่ได้เป็นผู้สั่งการให้ร่างกายเคลื่อนไหวทําอะไรต่างๆอันนี้เป็นใจผู้มามาเกาะติดร่างกายอี ก, อกส่วนหนึ่งแล้วสั่งสั่งผ่านทางสมองอีกที สมองอาจจะเป็นผู้รับคําสั่งจากใจผู้รู้ผู้คิดแล้วสมองก็สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวให้แขนขายกแขนยกขาให้ทาอะไรอันนี้ผ่านทางสมองนักวิทยาศาสตร์นี้เขาเห็นแต่สมองเขาไม่เห็นใจที่เป็นนามธรรมา ท, ที่เป็นไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกาย จึงไม่สามารถที่จะเห็นใจได้ก็เลยสรุปไปที่สมองว่าสมองเป็นผู้สั่งการเช่นสั่งให้ยกแขนถ้าเกิดส่วนในของของสมองมีการมีการเสียก็ไม่สามารถสั่งให้ยกแขนยกขาได้เช่นถ้าสมองซีกหนึ่งมีปัญหาพอใจสั่งการให ยกแขนยกขามันก็ยกไม่ได้เพราะส่วนที่ส่วนของสมองที่รับคำสั่งจากใจนี้ไม่ทำงานมันเสียก็เรียกว่าเป็นเอามาเพิกอัมาพาใช่เพราะมีเส้นเลือดในสมองอุดตัน เ, เส้นเลือดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะถ่ายทอดคำสั่งของสมองไปสู่ที่แขนที่ข า, าแต่เมื่อไม่สามารถถ่าย คำสั่งไปที่แขนที่ขาได้แขนที่ขาก็ขยับไม่ได้นักวิจัยทางทางการแพทย์เขาก็สรุปว่าเนี่ยผู้รู้ผู้คิดนี้คือสมองผู้ที่สั่งการให้ร่างกายเคลื่อนไหวทาอะไรต่างๆคือสมองผู้ที่รับรู้ความรู้สึกต่างๆคือสมอง สมองหรือประสาทมันก็รับรู้ความรู้สึกแต่ตัวมันเองมันไม่รู้ว่ามันรับความรู้สึกอะไรมันสุขหรือมันทุกข์นี้ตัวสมองมันไม่รู้เหมือนกับกล้องกล้องโทรศัพท์มือถือนี่มันไม่รู้ว่าภาพที่มันเห็นนี่เป็นภาพที่สุขหรือไม่สุขเสียงที่ได้ยินมันสุขหรือไม่สุขมันรับภาพมันรับเสียงสมองมันก็รับความรู้สึกของร่างกาย ว่าร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ไม่ไม่รู้ว่ามันเจ็บหรือมันปวดนะผู้ที่มารับรู้เนี่ยคือใจที่ไม่ใช่เป็นร่างกายไม่ใช่เป็นสมอง <c oughs> จะเห็นได้ชัดก็ต้องเกิดจากการภาวนาคือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสงบนี้ใจกับร่างกายจะแยกออกจากกัน จะมีเหลือแต่ตอนที่ใจสงบนี้จะเหลือแต่ผู้รู้ผู้คิดอยู่ตามลําพังส่วนตัวร่างกายนี้ถูกตัดออกจากใจไปชั่วขา่าวหยุดรับการรับรู้สิ่งต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายชั่วขา่าวคนภาวนาแล้วถึงจะเห็นชัดว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกัน แล้วก็รู้ว่าต่อไปเวลาที่ไม่มีร่างกายนี้ใจจะสุขใจจะทุกข์ก็อยู่ที่บุญหรือบาป ท, ที่ได้ทำเอาไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่นี่เองนะบุญหรือบาปนี้จะถูกฝังไว้ในใจถูกบันทึกไว้ในใจเป็นเหมือนรูปเสียงกล็ดแล้วที่เราบันทึกไว้ในเครื่อง เครื่องถ่ายรูปนี้มันจะบันทึกได้แต่ภาพเครื่องบันทึกเสียงนี่มันจะบันทึกได้แต่เสียงแต่ใจนี้บันทึกได้ทั้งรูปเสียงกลิ่นรสละผละพทพะพอเวลาที่ใจแยกออกจากร่างกายเวลาที่ไม่มีร่างกายใจยังต้องการมีอะไรมาให้ความเพลิดเพลินอยู่เพราะใจเป็นเหมือนคนที่ติดดูภาพยนตร์ แตดรูปเสียงกิดลดพอไม่มีรูปเสียงกิดลดมาให้เสพผ่านทางร่างกายก็เลยต้องไปเอารูปเสียงกิดลดที่ได้บันทึกไว้ในใจมาเสพแทนรูปเสียงกิดลดที่เราบันทึกไว้ก็คือเวลาที่เราไปเสพรูปเสียงกิดลดตอนที่เรามีร่างกายเสพไปด้วยแล้วมันก็บันทึกเก็บไว้ในใจด้วยเป็นความทรงจะ แล้วเวลาช่วงที่ไม่มีร่างกายจะหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้ใจเสพใจก็เลยไปเอาจากในใจที่บันทึกเอาไว้เอารูปเสียงกลิ่นรสผธพระที่ใจได้บันทึกเอาไว้เอามาเสพต่อเพราะใจนี้อยู่เหมือนกับว่าขาดรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้เหมือนกับร่างกายที่ขาดลมหายใจไม่ได้ใจของผู้ที่มีกิเลส มีกามะตัญหามีกามอารมณ์นี่ก็ต้องเสพรูปเสียงเป็นเหมือนเครือหายใจเวลาขาดรูปเสียงกลิ่นรสให้เสบนี้ใจมันจะทุรนทุรายเหมือนคนขาดลมหายใจเห็นไหพอเวลาร่างกายไม่สามารถรูปเสียงกลิ่นรสผลพระให้ใจเสบได้ใจก็เลยต้องไปคว้าเารูปเสียงกลิ่นรสที่ได้บันทึกเอาไว้ะ ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่มีร่างกายเนี่ยในแต่ละวันที่เราทําอะไรต่างๆนี้มันถูกบันทึกไว้ในใจเราหมดเลยแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาในช่วงที่เราไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นผู้หารูปเสียงกิ่นรสมาให้เราเสพได้มันก็จะเข้าไปหาในในใจเช่นยกตัวอย่างตอนที่เรานอนหลับเนี่ย ตอนที่ร่างกายนอนหลับก็เหมือนร่างกายไม่ทํางานชั่วคราวเหมือนร่างกายตายไปชั่วคราวตอนนั้นร่างกายไม่ไปหารูปเสียงกดลิ่นรสมาให้เราเสพได้แต่ใจมันยังหิวกับรูปเสียงกดลิ่นรสอยู่มันก็เลยไปคว้าเอารูปเสียงกดลิ่นรสที่ได้บันทึกไว้ในใจเนีี่ยรูปเสียงกดลิ่นรสที่เราไปบันทึกมานี้ก็มีหลายแบบมีสามแบบคือแบบที่มีสุขน เป็นสุขแบบที่เป็นทุกข์และแบบที่เป็นกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยในแต่ละวันเราเราไปบันทึกรูปเสียงกิจลดสามชนิดนี้มาให้เราเสพกันเวลาเราไปทําบุญไปทําคุณทําประโยชน์ให้กับคนนั่นคนนี้ไปช่วยเหลือคนนั่นคนนี้ให้คนอื่นได้รับความสุขจากการกระทาของเราเราก็บันเราก็บันทึกเรื่องของความสุขไว้ในใจ เวลาเราไปมีเรื่องกับใครไปทะเลาะวิวาทกันไปตีกันไปแก่งแย่งชิงดีกันไปทำร้ายกันไปแย่งข้าวของเงินทองกันเราก็กำลังไปบันทึกเรื่องที่ไม่ดีฝังไว้ในใจแล้วเรื่องที่เป็นกลา ง, ก, ลางก็เรื่องที่เราทำกับตัวเราเนี่ยแหละคือวันวันหนึ่งเราก็ต้องเลี้ยงดูร่างกายเราอาบน้ำอาบท่าทำอะไร อันนี้ไม่ได้เป็นบุญไม่ได้เป็นบาปนะไม่ได้เป็นสุขไม่เป็นทุกข์เราทำตามหน้าที่ของเราคือเราต้องดูแลร่างกายถึงเวลากินก็ต้องหาของมากินหิวน้าก็หาน้ามาดื่มเหนื่อยเนื่อยล้าก็พักผ่อนหรือออกกาลังกายอะไรไปทาอะไรเหล่านี้ไม่ได้เป็นไม่ได้ทำให้เกิดความสุขใจหรือเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ไม่เหมือนกับเวลาไปทำบุญทำคุณทำประโยชน์ทำแล้วเกิดความสุขใจขึ้นมาหรือเวลาไปทำบาปไปทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนแก่ผู้อื่นมันก็ไปสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาแล้วการกระทำทุกอย่างนี่มันถูกบันทึกไว้ในใจของเราโดยอัตโนมัติบันทึกบันทึกอยู่ตลอดเวลาแล้วพอเวลาเรานอ น, อนหลับเนี่ย อันไหนที่มันมีมีมีมากมันจะโผล่ขึ้นมาตอนที่เรานอนหลับโผล่ขึ้นมาในรูปแบบของความฝันนี่ที่เราฝันดีฝันร้ายนี่มันบ่งบอกให้เรารู้ว่าบุญมีมากกว่าบาปหรือบาปมีมากกว่าบุญถ้าฝันร้ายนี่แสดงว่าบาปมันมีมากกว่าบุญมันจึงออกมาก่อนมีกำลังมากกว่าบุญ ถ้าฝันดีนี่แสดงว่าบุญมันมีกำลังมากกว่าบาปแต่มันเป็นการแสดงผลของบุญของบาปเพียงชั่วคราวเพราะเรานอนหลับไม่นานเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงเราก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเราก็กลับมาที่ร่างกายกลับมาหาตาหูจมูกลิ้นกายพอลืมตาเราก็เริ่มใช้ ตาของร่างกายไปหารูปมาทันทีเอาหูของร่างกายไปหาเสียงมาทันทีไอ้รูปเสียงกลิ่นรสที่เราบันทึกไว้ในใจมันก็เลยถูกกบไปทันทีเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เห็นผ่านทางร่างกายนี้มันมีกำลังมากกว่ามีน้ำหนักมากกว่ามันจึงทำให้เรื่องที่เราฝันนี่หายไปเลยใช่ บางทีฝันดีพอตื่นขึ้นมาจําไม่ได้แล้วเฮ้ยเมื่อกี้ฝันเรื่องอะไรมะดูแล้วฝันดีหรือบางทีฝันร้ายตื่นขึ้นมาก็โอ้ยเมื่อกี้นี้ฝันร้ายเหงื่อแตกพักเลยบางทีก็มีอนี่แหละคือการทํางานของบุญของบาปที่เราทํากันในขณะที่เราตื่นนะพอเวลาเราหลับนี่มันก็จะออกมาทํางาน เพราะใจเรามันหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสตลอดเวลาขาดไม่ได้เหมือนกับคนที่บางทีหายใจเองไม่ได้ต้องเอาท่อออกซิเจนมาหายใจหรือพวกนักประดาน้ําเวลาที่จะลงไปใต้น้นํานี่ไม่สามารถหายใจใต้น้ําได้ก็ต้องเอาท่อออกซิเจนติดตัวไปด้วยใจก็เหมือนกันเวลามีร่างกายก็อาศัยรูปเสียงกลิ่นรส อาศัยตาหูจมูกดิ้นกายเพื่อจะได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่พอเวลาร่างกายพักผ่อนมันหยุดทำงานเนยมันก็ไม่สามารถใช้ตาหูจมูกดิ้นกายของร่างกายใบเสบรูปเสียงกลิ่นรสได้ใจก็เลยต้องเอาสำรองเนีรูปเสียงกลิ่นรสที่สำรองไว้ในใจที่บันทึกไว้ในใจมาเสบต่อ มือนก็ร่างกายของคนเราที่ขาดลมหายใจไม่ได้พอลงไปใต้น้ำปั๊บก็ต้องใช้ถัองออกซิเจนหายใจต่อแม้มันก็มันก็จะตายใจก็เหมือนกันมันหิวกับรูปเสียงกลิ่นรถตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่มันไม่หิวเวลามันขาดแล้วมันจะรู้สึกทรมานใจเราสังเกตดูขณะที่เรา เวลาเราตื่นมางทีเราก็ไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสที่เราอยากได้เรารู้สึกยังไงเช่นเวลาเราขาดกาแฟขึ้นไหมาเวลาขาดแฟนนี่เวลาอยู่คนเดียวนีค่ความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกเวลาอยู่กับแฟนกับเวลาอยู่คนเดียวนี่เป็นยังไงความรู้สึกที่ได้เสพกาแฟกับเวลาที่ไม่ได้เสพกาแฟเป็นยังไงนั่นแหละมัน จะเห็นชัดว่าใจนี้เวลาไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสที่มันชอบที่มันเคยเสบนี่มันจะทรมานเหมือนคนติดยาเสพติดเนี่ยคนที่ติดยาเสพติดมันก็ติดรูปเสียงกลิ่นรสของยาเสพติดนี่แหละพอเวลาไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสของยาเสพติดให้มันเสบมันก็ทรมานใจเนะจนทนไม่ไหวจนต้องไปหาเงินหาทองถ้าไม่มีเงินซื้อก็ต้องไปขโมยเงินมาซื้อ ยาเสพติดมาเสพอ่ะนี่คือเรื่องของใจใจมันหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะตลอดเวลาเวลามีร่างกายมันก็ใช้ร่างกายไปเป็นผู้หาให้เวลาที่มันไม่มีร่างกายมันก็ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสที่มันบันทึกไว้ในใจมามาให้เสพ่นี่แหละ เราจึงทำไมเวลานอนหลับเราบางทีจึงฝันร้ายบ้างฝันดีบ้างก็เพราะว่าเราไปทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างนั่นเองเราก็บันทึกทั้งทุกอย่างไว้ในใจของเราแล้วเวลาเรานอนหลับเราเลือกไม่ได้มันอยู่ที่ว่าปริมาณของการกระทาของเราส่วนไหนมันมีกำลังมากกว่ามีพลังมากกว่า ส่วนนั้นมันก็จะออกมาแสดงผลแต่มันก็แสดงได้ชั่วข่าวเพราะร่างกายนอนไม่นานไม่กี่ชั่วโมงก็เติดขึ้นมาแต่เวลาไม่มีร่างกายเนี่ยมันนานนะป่าจะไปได้มีร่างกายอันใหมน่นีไม่รู้กี่ปีนะไม่มีใครไปวัดไม่มีใครไปทำสถิติ แต่พระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าการจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี่มันไม่ง่ายมันยากเพราะว่ามันมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันหนึ่งมนุษย์มันมีน้อยกว่าสัตวน์นะสัตว์นี่มีมากตั้งท้องได้เยอะกว่ามนุษย์นี้มีจำนวนน้อยหนึ่งแล้วการทำบุญทำบาปก็ส่วนใหญ่ก็ทำบุญน้อยกว่าทำบาปกัน ส่วนใหญ่จึงมักไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกันก่อนแทนที่จะรอรับร่างกายรอไม่ไหวหิวก็เลยไปเอาร่างกายของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันมันก็เสพรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันแต่มันเสพแบบโหดร้ายทารุณมันไม่มีความเมตตาต่อกันมันทำบาป เวลามันอยากจะดูอยากจะเสพอะไรมันก็แย่งกันกัดกันกีดกันฆ่ากันนี่คือเรื่องของใจของผู้ที่มาเกิดแล้วถ้าไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปนี้ส่วนใหญ่จะจะโน้มน้าวไปทางททการทำการทาบาปมากกว่าการทำบุญเพราะทำบาปมันง่ายกว่าเวลาอยากจะรวยแบบง่ายๆเร็วๆมากๆนี้ ขโมยเงินก็ง่ายที่สุดเร็วที่สุดป้นเออยจี้เออยิ่ชอโกงเออยโกหกหลอกลวงเห็นมไหมพวกขายแชร์นี่ยโกหกหลอกลวงนะหลอกลวงเอาเงินของคนอื่นมาใช้อย่างสบายอันนี้แหละเป็นการทําบาปเป็นการสร้างความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วเราก็รู้เวลาเราทําความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นทําไมเราไม่รู้ มันก็ฝังอยู่ในใจของเราแล้วเวลานอนหลับมันก็จะกลับมาหลอกเราในในรูปแบบของความฝันสลับกันเราไปหลอกเขาในเวลานอนหลับเราเข้ามาหลอกเราแทน <c oughs> มันเป็นอย่างนี้ <c oughs> เวลาเราให้ความสุขกับคนอื่นเวลานอนหลับฝันก็ฝันสลับกันฝันว่าเขากลับมาให้ความสุขกับเรา <c oughs> เป็นปุกกระจกเห็นไหม มือขวาแขนขวาเราก็เป็นแขนซ้ายใช่ไหมแขนซ้ายก็เป็นแขนขวาเนี่ยอันนี้มันสลับนี่แหละคือบุญกับบาปเวลาที่เราไม่มีร่างกายเวลาร่างกายตายไปเราก็จะอยู่กับไอรูปเสียงกลิ่นรสที่เราบันทึกไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราบันทึกแต่ เรื่องของบาปเรื่องของการทำบาปต่างๆมันก็จะมีแต่เรื่องของการทำบาปนี่มาหลอกมาหลอนใจเราถ้าเรามีแต่ทำบุญเราก็จะมีแต่เรื่องดีๆมาหลอกมาหลอนมาให้เราเสพกันเราก็ทำไปอย่างนั้นเรื่อยๆจนกว่าที่เราบันทึกไว้มันหมดนะคิดดูนะกี่ปีกันเน่ย เราเกิดมากี่ปีบันทึกไว้กี่กี่เรื่องเนี่ยมันก็ชายองไปเรื่อยๆจนกว่าบุญกับบาปเรื่องเรื่องบุญกับเรื่องบาปมันมีกำลังพอๆกันบุญก็ไม่สามารถแสดงออกมาได้บาปก็ไม่สามารถแสดงได้ตอนนั้นก็อาจจะไปรอคิวไปรอรับร่างกายอันใหม่ซึ่งไปรอคิวก็ไม่รู้ว่าจะได้คิวไหน เพราะว่าก็มีพวกที่อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เยอะเหมือนกันก็อาจจะต้องรออยู่ในโลกของดวงวิญญาณไปพังๆก่อนอยู่แบบไม่ฝันไปพังๆก่อนเพราะฝันมันไม่มีให้หลให้ฝันแล้วออกมาพ้นออกมาจากกบายเรือลงมาจากสวรรค์มารอยอมายืนเข้าคิวจะมารับร่างกายนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่เพราะร่างกายของมนุษย์มันมีน้อย ยิ่งสมัยนี้ทำหมันกันเยอะอีกใช่หมทำหมันหรือทำแท้งกันอีกบางทีพอได้ร่างกายแทนที่จะได้ออกมาจากท้องแม่ก็ถูกรีดออกอีกถูกทำแท้งอีกไม่ได้เกิดอีกอ น, นคือเรื่องของดวงวิญญาณดวงใจของพวกเราที่ถูกอำนาจของอความหลงโมหะอวิชชาหลอกให้เราไปเสพรูปเสียงกลิ่นรส คิดว่าการเสพรูปเสียงกิเลสนี้เป็นการสร้างความสุขให้กับใจแต่มันมีผลเสียตามมายเยอะแยะมากมายเพราะการจะเสพรูปเสียงกิเลสมันต้องหากันบางทีหาโดยวิธีไม่ทำบาปไม่ได้ก็ต้องไปหาโดยวิธีทำบาปมันก็เลยทำให้เดี๋ยวต้องไปรับผลบาปอีกเวลาที่ร่างกายตายหรือเวลาที่ร่างกายนอนหลับ หรือถ้าโชคดีหาได้โดยที่ไม่ต้องทำบาปแล้วหาได้มากก็อาจจะเอาไปแบ่งให้คนอื่นก็เรียกว่าได้ทำบุญโยมทำมาหากินขายดีขายดีได้เงินทองมาเหลือกินเหลือใช้ก็คิดทำอะไรก็ทำบุญนะอยากจะให้คนอื่นมีความสุขเหมือนเราตอนต้นก็คิดถึงพ่อแม่ก่อนว่าผู้มีพระคุณของเราท่านทุกยากลาบากเลี้ยงดูเรามานานแล้ว ตอนนี้เรามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็อยากจะแบ่งให้พ่อแม่ใช้ก่อนต้องทดแทนบุญคุณของคนที่เรารั ก, กเราเคารพก่อนแล้วก็ไปทําบุญกับคนที่เราเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราไปทําบุญกับพระกับวัดเนี่ยแล้วเราค่อยไปทําบุญกับผู้อื่นต่อไป ถ้าเราโชคดีเรามาหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงเกิดรดแล้วหาได้มากเกินกว่าเราจะใช้ได้แล้วถ้าเรามีความคิดที่ดีมีความเมตตาเราก็จะคิดทําบุญแต่ถ้าเราไม่มีความเมตตาเรามีความตเนี่เราก็อาจจะไม่ทําบุญเราหวงเรากลัวกลัวจะจนรวยแล้วกลัวจะจนก็อาจจะไม่ได้ทําบุญก็มีอันนี้แล้วแต่นิสัย ใจคอของจิตแต่ละดวงที่ได้รับการาฝึกฝนอบรมมาอย่างไรบางทีก็ได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความเมตตาการุณ า, าบางทีก็ไม่ได้รับพวกไม่ได้รับก็จะเอาแต่ความเอาแต่ตัวเองคิดแต่เรื่องของตัวเองห่วงแต่เรื่องของตนเองเอก็ไม่อยากจะให้อะไรกับใครก็ไม่ได้ทำบุญ ก็จะได้แต่ทําบาปเนี่ยพวกนี้น่ากลัวพวกที่ตนันนีพวกที่เห็นแก่ตัวเวลาหาอะไรก็เขาก็หาโดยสองวิธีถ้าไม่ทําบาปก็ต้องทําบาปถ้าหาโดยวิธีไม่ทําบาปไม่ได้ก็ต้องหาโดยวิธีทําบาปแต่เรื่องของทําบุญนี้แทบจะไม่มีเลยเพราะเขาไม่เคยไม่เคยมีความรู้สึกนึกคิดอยากจะทําบุญ เสียดายเข้าของเงินทองที่เขาหามากลัวว่าถ้าเกิดทาไปแล้วเดี๋ยวเกิดวันที่เขาไม่มีแล้วเขาจะเอาที่ไหนกิน จ, จิตใจของเขาก็เลยไม่มีความสุขใจจากการทำบุญถึงแม้จะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยก็ตามแต่ไม่มีความสุขใจกลับมีความวิตกกังวลมีกลัวเงินจะหายกลัวเงินจะหมดนี่คือเรื่องของ จิตใจของคนเราแต่ละคนที่มาเกิดแล้วถ้ามาเกิดในยุคที่มีคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นโชคดีได้มีโอกาสได้เรียนรู้วิธีที่จะสร้างความสุขให้กับใจและกําจัดความทุกข์ต่างๆให้กับที่มีอยู่ในใจให้มันหายไปหรือไม่สร้างความทุกข์ขึ้นมาใหม่ ด้วยการทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําบุญชนิดต่างๆเพื่อสร้างความสุขให้กับใจและเพื่อกําจัดหรือป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นกับใจทำทานทำบุญทำทานทำให้เกิดความสุขใจรักษาศีลจะป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นมาภายในใจแล้วให้ภาวนา เพื่อที่จะได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่ศีลไม่ได้กำจัดแล้วก็สร้างความสุขต่างๆที่การทำบุญไม่ได้สร้างให้ความทุกข์และความสุขนี้มีสองระดับระดับทานระดับศีลและระดับภาวนาระดับภาวนาสูงระดับทำบุญทําทานรักษาสี่ทานี้ระดับต่ำ แต่เราก็ต้องเริ่มจากระดับต่ำไปเพราะมันมีความยากง่ายต่างกันความระดับต่ำมันง่ายกว่าระดับสูงนั่นเองการจ ะ, ระดับความทุกข์ด้วยการสร้างความสุขด้วยการภาวนานี่มันยากยิ่งกว่าการรักษาศีลห้าเพื่อป้องกันความทุกข์และทำบุญทำทานเพื่อให้เกิดความสุขใจมันง่ายกว่าเรามีเงินเราก็สามารถ ทำบุญซื้อความสุขใจได้ทันที yeah. เวลาเพียงรักษาศีลได้เราก็จะไม่ทุกจากการทําบาปเพียงห้าข้อเท่านั้นเองไม่ฆ่าสัตว์พอจะฆ่าก็ยับยั้งไวอ้อย่าฆ่าเท่านั้นมันก็จบพอไม่ฆ่าความทุกข์ก็ไม่เกิดพอจะไปรักทรัพ ย, ยไไก์ก็ยับยั้งไว้ได้ก็ก็ยับยั้งความทุกข์ที่เกิดจากการไปรับทรัพย์ับรักทรัพย์ได้ yeah. แต่มันยังมีความทุกข์ที่เกิดจากอย่างอื่นที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงที่มันยังไม่ได้ถูกหยุดด้วยด้วยศีลห้าเมันต้องอาศัยการภาวนาต้องหยุดด้วยสติการหยุดด้วยสติก็หยุดได้ชั่วคราวถ้าต้องการหยุดอย่างถาวรก็ต้องหยุดด้วยปัญญาการภาวนาจึงแบ่งเป็นสองระดับเองระดับง่ายกับระดับยาก ระดับง่ายก็คือสติแล้วระดับปัญญาก็ระดับยากกว่า ต, ต้องมีระดับระดับสติก่อนถึงจะไประดับปัญญาได้ <c oughs> นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ละการกระทาบาปทั้งปวง เ, เมื่อไม่ทำบาปแล้วความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปก็จะไม่เกิดขึ้นมาแล้วให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม การทําบุญมีหลายวิธีเนี่ยทกับหลายคนหลายลักษณะด้วยกันได้บุญเหมือนกันแต่ลักษณะต่างกันทําบุญกับพ่อแม่ก็ได้บุญทําบุญกับวัดกับพระก็ได้บุญทําบุญกับโรงเรียนโรงพยาบาลก็ได้บุญทําบุญกับมูลนิธิต่างๆที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมก็ได้บุญทําบุญกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญได้ความสุขใจปล่อยนกปล่อยปลา ถ่ายวัวถ่ายโคถ่ายชีวิตวัวโคแล้วก็ช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ช่วยตนเองไม่ได้คนพิการคนทางร่างกายพิการทางสมองเนี่ยถ้าไม่ช่วยเขาเขาก็ตายหรือเขาก็อยู่แบบอดอยู่แบบอดอยากขาดแคลนพอเราช่วยเขาก็บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับเขาได้เวลาเห็น ความสุขจากการกระทาของเราเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมานี่คือขั้นต้นสำหรับผู้ที่เริ่มต้นก็มาหัดยึดบาปมารักษาศีลห้ากันให้ได้แล้วก็ทำบุญทําทานตามกรรมไม่มีเงินก็ทำด้วยกายด้วยวาจาวาจาก็คือเรามีความรู้อะไรก็เอาสอนคนอื่นได้ แล้วปิ้งไก่เป็นนีก็ไปสอนคนให้เขาปิ้งไก่เป็นเขาจะได้มีอาชีพปิ้งไก่ได้ทํากับข้าวเป็นสอนคนที่เขาทาไม่เป็นพอเขาทาเป็นเขาก็จะได้มีอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงได้ก็เหมือนให้เงินเขาแหละเพียงแต่ว่าเราไม่มีเงินให้เขาเราก็เลยให้ความรู้เขาแทนไม่มีความรู้แต่มีเวลาว่างมีร่างกายแข็งแรงก็ไปช่วยทํางาน เก็บศพก็ได้ไปช่วยปอเต็งมูลนิธิอะไรต่างๆเก็บศพไปช่วยพาคนไปส่งโรงพยาบาลไปล้างป่าชา้าทำอะไรต่างๆเหล่า น, นี้ก็เป็นบุญเหมือนกันงั้นการทำบุญมีหลายวิธีไม่ใช่อยู่ที่ว่าต้องมีเงินอย่างเดียวถึงจะทำบุญได้ไม่มีเงินก็ทำบุญได้ถ้าเรารู้ว่าการทำบุญนี้ทำทาอย่างไร โดยหลักก็คือทำให้คนอื่นเขามีความสุขช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนอื่นนี่เรียกว่าเป็นการทำบุญทั้งนั้นจะใช้เงินทาก็ได้จะใช้วาจาของเราทำก็ได้บางทีเราไม่มีเงินเราบอกบุญให้คนอื่นไาทำแทนเราก็ได้อย่างนี้เราก็ได้บุญส่วนหนึ่งคนที่เขามาช่วยทำบุญเขาก็ได้อีกส่วนหนึ่งเราเราได้ในในส่วนที่เราเป็นคนบอกบุญ พรบางทีคนก็อยากจะทําบุญไม่รู้จะไปทําที่ไหนดีพอมีคนมาบอกบุญปับ๊บเออดีบุญแบบนี้ชอบก็เลยขอร่วมทําบุญทันทีอันนี้ก็เป็นขั้นต้นของการสร้างความสุขกับกําจัดความทุกข์เป็นการบันทึกภาพที่ดีแล้วก็หยุดบันทึกภาพที่ไม่ดีไว้ในใจของเราเวลาเราตายไป เวลาไม่มีร่างกายดวงวิญญาณของเราก็จะได้เสพรูปเสียงกิ่นรสที่ดีที่เกิดจากการทําความดีต่างๆส่วนการกระทําไม่ดีไม่เราไม่ได้ทํามันก็เลยไม่มีรูปเสียงกิ่นรสที่ไม่ดีมาให้เราเสพกันไม่ไม่ได้มาทําให้เราหิวโหยไม่ได้ทําให้เราหวาดกลัวใช่ไห้ทําให้เราเกิดความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาท อันนี้เป็นขั้นต้นของการทำบุญทำบุญนี้จะบอกว่าไม่สูญเปล่าทำบุญแล้วมีผลต่อไปถ้าเรารู้ว่าใครเป็นผู้ไปรับผลถ้าเรารู้ว่าใครไม่ตายไปกับร่างกายแต่ถ้าเราไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้เพราะขององนี้ถ้าเบื้องต้นไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์เองนี่การจะพิสูจน์เองนี้มันยากมันไม่ใช่เป็นของง่าย พิสูจน์ได้แต่เบื้องต้นก็ต้องเชื่ออีกหรอกว่ามีจริงจะได้มีจริงแล้วไม่มีจริงมีวิธีพิสูจน์ให้ไปพิสูจน์ดูว่ามีจริงหรือไม่ตายแล้วไปเกิดต่อมีหรือไม่ตายแล้วไม่ตายร่างกายตายไปแล้วมีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ตายไปกับร่างกายเป็นจริงหรือไม่ถ้าอยากจะรู้เนี่ยก็ต้องไปสู่อีกขั้นหนึ่งไปอยู่ทือศีลแปดศีลสิบ ศีลสองไปอยู่แบบนักบวชนะแล้วก็ไปปิดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาเปิดตาหูจมูกลิ้นใจแทนถึงจะเริ่มจะได้เห็นว่าอ๋อนอกจากร่างกายแล้วยังมีใจที่มีมีตาหูจมูกลิ้นใจเหมือนกับร่างกายที่ยังต้องการเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ต้องภาวนาต้องทําใจให้สงบ นั่งสมาธิแล้วแวลใจสงบใจจะแยกออกจากร่างกายชั่วขา่าวคือตัดการรับรู้ใจนี้เป็นผู้ส่งวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายวิญญาณทั้งห้าที่เราเรียกว่าวิญญาณในขันห้าเนี่ยมันจะมาทางอายตนะหแล้วพอเวลาเรานั่งสมาธิเราเบเราเจริญสติพุทโธพุทโธเรากำลังถอดปลักถอด ถอวิญญาณออกจากตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางร่างกายพอจิตสงบปั๊บรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางร่างกายจะเข้ามาไม่ถึงใจนะเพราะใจไม่มีตัวไปเชื่อมรับคือตัววิญญาณนี้ถูกถูกดึงออกเหมือนปลั๊กไฟเนี่ยพอเราถอดปลั๊กไฟปั๊บทีนี้เปิดไฟไฟก็ไม่เข้าไม่เข้าเครื่องไม่เข้าหลอดไฟนะเพราะตอนนั้นเราถอดปลั๊กออกนะครับ เวลานั่งสมาธิเราถอดปลั๊กทั้งห้าสายออกถอดปลั๊กที่มาติดกับตาหูจมูกนิ้นกายพอถอดอะไรได้สําเร็จปั๊บจิตสงบปั๊บรูปเสียงกลิ่นลดปดทพะทิที่เคยเข้ามาที่จายหายไปหมดชั่วข่าวตอนนั้นเราก็ถึงจะรู้ว่าอ๋อผู้ที่รับรู้ผู้ที่รู้รูปเสียงกลิ่นลดกับผู้ที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรดนี่เป็นคนละคนกัน ตาหูจะบุกวินกายเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปเหมือนเหมือนเครื่องบันทึกเสียงส่วนใจนี้เป็นผู้รับรู้รูปรูปและเสียงที่ที่ร่างกายไปบันทึกใหม่อีกทีไปรับมาอีกทีหนึ่งนี่ปฏิบัติไปแล้วถึงพอเห็นอย่างนี้แล้วที่จะเชื่อแล้วว่าอ๋อเวลาร่างกายตายไปไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายไอ้ตัวนี้ตายไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรจะให้มันตาย เพราะมันไม่เคยเกิดสิ่งใดที่ไม่เคยเกิดสิ่งนั้นก็ไม่ไม่ตายสิ่งใดที่ไม่เกิดสิ่งนั้นก็ไม่ตายใจนี้มันไม่เกิดมันไม่ตายมันมีอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นเหมือนท้องฟ้าเนี่ยมันมันมีเกิดมีดับไม่ท้องฟ้าเนี่ยท้องฟ้ามันมีอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมสิ่งที่เกิดดับบนท้องฟ้าไม่ใช่ท้องฟ้าเนี่ยชันเมฆหมอกแสงอาทิตย์แสงอะไรต่างๆนี้มันเกิดมันดับ แต่ตัวทองฟ้าเองนี่มันไม่มีเกิดไม่มีดับนะฉันใดจิตใจของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นมันไม่มีเกิดไม่มีดับมันมีอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าพยายามจะค้นหาที่เกิดของใจค้นยังไงก็ไม่เจอพยายามแล้วลึกชาติกี่แสนล้านชาติก็ไม่เจอที่มันเริ่มต้นทันทีมันก็มีอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นเพียงแต่มันเปลี่ยนไปตามบุญตามบาปที่มันทาไว้เท่านั้นเอง บางทีมันก็ไปเป็นเทวดาบางทีมันก็ไปเป็นเปรตบางทีมันก็ไปเป็นพรหมบางทีมันก็ไปเป็นนรกนี่มันเปลี่ยนบางทีก็ไปเป็นมนุษย์บางทีก็ไปเป็นเดรัจฉานมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่แหละเป็นผู้ที่มาจัดการเหมือนกับเป็นตำรวจคอยจัดการระบบจราจรเห็นไหมบนท้องถนนนี่ต้องมีตำรวจใช่ไหมถ้าไม่มีจราจรเดี๋ยวรถวิ่งชนกันแหลก อันนี้ก็เหมือนกั น, นการกระทำต่างๆของใจนี้ถูกจัดการโดยกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมบอกทำบาปไปทางนี้ทำบุญไปทางนี้ไม่ทำบุญไม่ทำบาปไปทางนี้มีทางให้ไปจราจรเป็นผู้โบกรถเราก็เราก็บอกเลือกไม่ได้เพราะเราเป็นคนทำแล้วทาแล้ ว, ลว ก, ก็ไม่เอาไปทางนี้ไม่ได้ไม่ไปนรกไม่ได้ไม่ไปอบายไม่ได้ ถ้าทำบาปแล้วก็ต้องไปอบายถ้าทำบุญแล้วก็ต้องไปสวรรค์นี่คือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราคือจิตใจที่ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่ต้องการบุญเพราะบุญนี่แหละที่จะเป็นตัวให้ความสุขกับใจบุญนี่แหละเป็นตัวที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์กับใจแล้วก็บุญสูงสุดมีบุญสูงสุด ที่จะทำให้ใจไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปให้ไปหาที่จอดจอดรถแล้วก็สบายใช่เวลาจอดรถแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจว่าอยู่ถนนอยู่เลนไหนเลนซ้ายเลนขวามีไฟเขียวไฟแดงอะไรไม่ต้องกังวลแล้วพอจอดรถแล้วก็สบายคนขับก็นอนได้ถ้าอยากจะนอนนี่คนขับจะต้องจอดรถก่อนถ้าขับรถเดี๋ยวชนกันใจนี้ ไม่รู้จักที่จอดของตนมีแต่วิ่งอย่างเดียววิ่งแล้ก็เลยต้องเนี่ยถูกจราจรคอยสั่งให้ไปเลนซ้ายบ้างให้ไปเลนขวาบ้างให้ตรงไปบ้างให้เลี้ยวซ้ายบ้างเลี้ยวขวาบ้างแล้วแต่ว่าคุณจะไปทำอะไรมาถ้าคุณหยุดทำได้จอดรถได้หยุดการกระทาของใจได้หยุดคิดทำใจให้นิ่งตัดความอยากที่เป็นตัวพล อ, อยผลักดันให้ไปทาอะไรต่างๆได้ ใจมันก็เจอที่จอดรถที่จอดรถมันก็ไม่ต้องไปไหนแล้วพอจอดรถแล้วก็สบายคนขับก็นอนได้พักผ่อนกินน้ากินอาหารอะไรได้สบายไม่ต้องมาคอยกังวลกับการคอยควบคุมรถของตนนั่นแหละคือจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าคนพบว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับใจของพวกเราคือหยุดการเคลื่อนไหวหยุดการคิดหยุดการอยากเท่านั้นเอง หยุดทำลายความอยากความคิดคิดได้แต่อย่าไปคิดในทางความอยากก็แล้วกันให้มาหยุดความอยากที่เป็นตัวคอยขับเคลื่อนใจให้กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆความอยากได้รูปเสียงกดลดิ่นรสมันก็บังคับให้เราต้องมามีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายช่วงที่ไม่มีร่างกายมันก็ใหเราเสพรูปเสียงกดลิ่นรสที่เราบันทึกไว้ขณะที่เรามีร่างกายในรูปแบบของความฝัน ถ้าเป็นเรามันเทครูปเสียงกลิ่นรส ด, ดีก็ฝันดีแล้วก็เรียกว่าสวรรค์ถ้ารูปเสียงกลิ่นรถไม่ดีเราก็เรียกว่าเราก็เรียกว่าบาปมันก็เรียกว่านรกเรียกว่าอบายมันก็จะเสพอย่างนี้ไปจนกว่าจะได้ร่างกายพอได้ร่างกายก็มาบันทึกใหม่มาหารูปเสียงกลิ่นรสอีกมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปมันไม่มีที่จอดะถ้ามันไปไปแบบนี้มันจะไม่มันจะไม่เจอที่จอด มันจะเจอที่จอยก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นตัวที่ผลักให้มันไม่หยุดสักทีไม่ยอมหยุดสักทีไม่มีใครรู้นะมีคนเดียวที่สามารถรู้ได้ด้วยตนเองก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตัดู้ว่าตัวไหนเป็นตัวที่ผลักดันให้จิตใจของพวกเรานี้มาเวียนว่ายตายเกิดกันไม่รู้จกักจบจากสิน้นไอ้ตัวที่ผลักดันก็เรียกว่าตัณหานี่เอง ตันหาแล้วก็มีตัวหัวหน้าหรือตัวที่ยุโยงให้เกิดตันหาก็คือโมหะอวิชชาไม่รู้ว่าการไปหาความสุขภายนอกใจนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงมีอยู่ในใจแล้วคือการทําใจให้หยุดเท่านั้นเองหยุดใจหยุดความอยากต่างๆแล้วใจก็จะมีความสุขยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการไป ทำตามความอยากต่างๆอันนี้ไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้คนแรกพอรู้แล้วก็มาสอนเราสอนวิธีที่จะหยุดความอยากต่างๆที่พาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมาทําบุญทําบาปกันไม่รู้จักจบจากสิน้นก็ให้เรามาภาวนานี่ต้องใช้การภาวนารักษาศีลห้าทาบุญทาทานนี้ไม่สามารถหยุดความอยากได้ เพียงแต่ป้องกันไม่ให้ทำบาปได้ส่งเสริมให้ทำบุญได้แต่ไม่สามารถหยุดความอยากได้ต้องการจะหยุดความอยากนี่ต้องมาจเจริญจิจตะภาวนาสมถะภาวนาก็คือการนั่งสมาธิทาใจให้สงบวิปัสนาภาวนาก็คือการใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าสิ่งที่ใจอยากได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พอรู้ว่าเป็นอันนี้จังทุกขังอนัต้ตามันจะได้เลิกจะได้หยุดความอยากได้ถ้ารู้ว่าไก่ย่างที่ไม่ค้าขายนี่มียาพิษอยู่นี่จะกินไหมไม่กล้ากินนะกินแล้วตายแต่ถ้าไม่รู้ก็กินไงนโอ้ยอ้าเด็ดอร่อยเ้วกินอิ่มแล้วถึงจะมารู้ทีหลังก็สายไปเสร็จแล้วตายไปแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราหาเหมือนไก่ย่างที่มียาพิษ เห็นแล้วก็ อ, อร่อยน่ากินกาแฟาก็มียาพิษเห็นเวลาเห็นมันมองไม่เห็นยาพิษมันจะมารู้ก็สายไปแล้วตอนที่ดื่มก็ไปแล้วตอนที่กินไปแล้วตอนนั้นถึงปวดท้องขึ้นมาถึงกับเดินลนตายไปอันนี้ก็เหมือนกันรูปเสียงกลิ่นลดลาบยศสารเสนนี่เวลาเห็นมันแหมมันน่าอยากได้แล้วกันพอได้มาแล้วถึงจะมาเศร้าโศกเสียใจในภายหลัง เสียใจเพราะอะไรว่ามันไม่เที่ยงมันได้มาแล้วเวลามันหมดเนี่ยมันทําให้ร้องห่มน้องไห้ไอ้ตอนที่ไม่มีตอนก่อนที่ไม่มีไม่เห็นต้องร้องห่มน้องไห้เลยใช่ไหมแต่พอมีแล้วหมดไปนี่มันกลับบ้านร้องห่มร้องไห้มันก็เหมือนกันไม่ใช่เลยตอนต้นเราไม่มีเราไม่เห็นร้องห่มน้องไห้กันนแต่พอมีแล้วพอมันหมดไป้ทําไมต้องมาทําให้เราร้องห่มร้องไห้กันนั่นแหละคือพิษของมันพิษของราบยศสารเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ย ถ้าเราไม่ไปเสพมันเราไม่เดือดร้อนเราไม่ทุกข์พอเราไปเสพมันตอนต้นมันก็หลอกให้เราดีใจโอ้ยอร่อยอร่อยน่ากินกินไปสักพักแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มแผงฤทธ์ออกมาแล้วออกพิษให้เรามาทีนี้กุ้มอกกุ้มใจเสียหกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยก็มาเพราะเราไปไปเสพไปพวกนี้ทั้งนั้นไปเสพลาบยศสารเสริญไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันพอถึงเวลามันก็พ่นพิษใส่เรา แต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกของในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละมันดีตอนต้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นของเสียไปพอเสียมันก็พ่นพิษใส่เราเพราะมันไม่เที่ยงจะให้มันเหมือนเดิมไม่ได้จะให้มันสวยมันหล่อเหมือนเดิมไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องแก่หนังก็ต้องเหี่ยวฟันก็ต้องหลุดผมก็ต้องขาวเพราะดันั้น ความสุขที่เคยได้จากร่างกายที่หล่อเล้ยหรือสวยงามก็หายไปอันนี้ต้องใช้ปัญญาต้องเห็นตายรักเห็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นอนัตตามันจะไม่ได้เป็นของเราไปตลอดเป็นของเราชั่วครั้งชั่วคราวเราไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้ถ้าเห็นตายรักมันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้เพราะหยุดความตยหยุดความอยากทั้งหลายที่มาหลอกให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดได้ การเวียนว่ายตายเกิดก็สิ้นสุดลงใจเราก็สงบอยู่กับที่เจอที่จอดรถแล้วเนี่ยที่จอดรถนี้เพราะจะย่อติดปลายว่านิพพานเนี่ยถึงนิพพานแล้วถึงที่จอดรถของใจแล้วด้วยวิปัสสนาภาวนาก่อนจะวิปัสสนาก็ต้องสมถะภาวนาก่อนถึงจะมีกําลังไปวิปัสสนาต่อแล้วก่อนจะไประดับสูงก็ต้องมาสร้าง ระดับต่ําก่อนมาทําบุญระดับต่ําก่อนมารักษาศีลระดับต่ําก่อนมารักษาศีลห้าแล้วก็มาทําบุญทําทานด้วยวิธีการต่างๆที่เราชอบชอบทาแบบไหนทําไปเลยอยากจะเลี้ยงเด็กก็ไปเลี้ยงเด็กอยากจะไปสร้างโบสถ์ก็ไปสร้างโบสถ์อยากจะไปทําอะไรก็ไปทําได้ทั้งนั้นขอให้ทําแล้วเกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ผู้อื่นก็แล้วกันอันนี้เรียวกว่าเป็นบุญขั้นต้นนะ เป็นการสร้างความสุขขั้นต้นเป็นการป้องกันความทุกข์ขั้นต้นพอเราทําขั้นต้นได้แล้วเราก็ไปทําขั้นต่อไปขั้นสูงคือไปถือศีลแปดไปภาวนาไปอยู่วัดไปปีกวิเวกแล้วเราก็จะได้สร้างความสุขขั้นสูงแล้วก็กําจัดความสุขความทุกข์ขั้นสูงให้หมดไปจากใจยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป นี่คือเรื่องของการมาทำบุญไม่สูญเสียได้อะไรเยอะแยะดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวดีกว่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยอันนั้นแหละเหมือนเอาเงินไปทิ้งหลุมทิ้งบ่อทิ้งเหวไปเที่ยวสามวันห้าวันกลับมาหายไปหมดแล้วเงินความสุขที่ได้จากไปเที่ยวก็หายไปหมดใช่เนี่ยปีใหม่นี้หยุดห้าวันเนี่ยลองลองไปจองตัว๋วไปเที่ยวต่างประเทศหมดไปสามหมื่นห้าหมื่นกลับมา เงินหมดความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดเลยกลับมาก็เหมือนตอนที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวไปทำไมเอาเงินห้าหมือนไปทำบุญดีกว่าจะได้มีสิ่งที่ดีติดไปกับใจเวลาที่เราไม่มีร่างกายอานแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวหาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกัรปติอิทีิตังปฏิท um ังตุมหังคิปเมวะสมิฉโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณนิโชติ ภราสยาถาสภิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวโตอันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตาโรธรรมวาทานติ อายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามเจญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพาหลังจากเลิกปิดใหม่แล้วก็จะไม่มีการถามต่อ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่คะวันนี้จาก f a c e b o o สามร้อยสี่สิบยสามร้อยห้าวิทีโออนไลน์สิบหกผู้รับฟังวันนี้ห้าสิบสองรวมเจ็ดร้อยสิบสามท่านค่ะมีคำถามไหม do you have any questions no okay ถ้ไม่มีก็เอาทางบ้านก่อนก็ได้ค่ะคําถามฝากถามนะคะหนูมีเรื่องทุกข์ใจนอนไม่หลับมาสองวันคือหนูตัดสินใจให้น้องสาวได้ไปอินเดียแทนแต่มาทราบภายหลังว่าครั้งนี้ที่จะไปมีการบวชหนูรู้สึกเสียดายอยากไปเองแต่ในเมื่อหนูให้น้องไปแล้วก็อดที่จะคิดมากไม่ได้จนนอนไม่หลับมาสองคืนหนูควรวางใจอย่างไรดีคะก็ซื้อตั๋วไปกับเขาก็แล้วกัน ถ้าอยากจะไปถ้ามีเงินก็จ่ายไปคิดว่าให้น้องไปก็เราก็ได้บุญแต่ถ้าอยากจะไปด้วยถ้ามีเงินก็ก็ไปกับเขาถ้าไปไม่ได้ก็บวชที่ไหนก็ได้มันจําไม่ตําเป็นจะต้องไปบวชที่อินเดียหรอกบวชนี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันว่าบวชที่อินเดียหรือบวชที่ประเทศไทยแล้วจะได้ผลมากน้อยต่างกันมันเท่ากัน อยู่ที่ไหนก็ได้บวช ท, ที่ไหนก็ได้จะได้มากได้น้อยอยู่ที่บวชแล้วทำอย่างไรบวชแล้วต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ได้เพียงแต่บุญที่เกิดจากการบวชจะไม่ได้บุญที่เกิดจากการปฏิบัติเพราะการบวชนี้นอกจากบวชแล้วต้องมาปฏิบัติด้วยต้องมาศึกษาด้วยถึงจะได้บุญครบทวนบริบูรณ์ คำถามคุณชัชชยาถ้าพยายามนั่งสมาธิแล้วแต่นั่งได้ไม่นานแต่เวลาสวดมนต์ภาวนากลับทำได้ไปเรื่อยๆสบายๆแม้มีเสียงอื่นดังแต่ก็ยังสวดมนต์ต่อไปได้ถือว่าเป็นสมาธิแบบหนึ่งหรือเปล่าคะก็เป็นระดับของระดับสวดมนต์เคยยังไม่สงบเท่ากับระดับที่เราดูลมหายใจเข้าออกหรือพุโทโธแต่จิตบางทียังไม่เข้าถึงระดับ ที่มัละเอียดได้ก็ต้องฝึกในระดับหยาบไปก่อนคือการสวดมนต์สวดมนต์ไปแล้วหลังจากสวดไปสักพักถ้ารู้สึกเบาใจสบายใจลองหยุดสวดแล้วลองดูลมหายใจต่อคําถามจ้าคุณเล็กกอรฮะไทยถ้าสามีมอบเงินให้แก่เราด้วยความเต็มใจเพื่อนําไปใช้สอยแล้วแต่ความประสงค์ของเราแล้วเรานําเงินจํานวนนี้ไปทําบุญ ใครจะเป็นผู้ได้รับผลบุญคะเราสิแต่สามีเขาได้แล้วตอนที่เขาให้เราตอนที่เขาให้เราเขาก็ได้ทำบุญกับเราแล้วพอเราเอาเงินที่เราได้มาไปทาบุญเราก็ได้บุญถ้าเราไปซื้อของของฟุ่มเฟือยเราก็ไม่ได้บุญแต่สามีเขาได้แล้วถ้าเขาให้ด้วยความบอยสุดใจเขาให้ด้วยความปรารถนาดีอยากให้เรามีความสุขอยากให้เรามีเงินใช้ เราจะเอาไปใช้เงินแบบไหนเขาก็ไม่ได้กำหนดไม่ได้ห้ามเราแล้วแต่เราถ้าเราไปใช้ทำบุญเราก็ได้บุญเขาได้ของเขาแล้วส่วนของเขาก็ได้แล้วเงินเขาเสียสละของเขาไปแล้วพอเราเอาเงินเขาไปเสียสละอีกตอ่อแล้วก็ได้บุญอีกเงินก้อนเดียวกันนี้มันทำให้คนได้บุญเยอะแยะนะเดี๋ยวไปถวายพระพระก็ไปทำบุญอีกพระก็ได้บุญอีก เดี๋ยวคนที่รับเงินจากาพระไปทําบุญเด็กมันก็ได้บุญเด็กมันก็วนกันไปอย่างเงี้ยบุญมันเกิดจากการให้เกิดจากการเสียสละของที่เป็นของเราจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการนั่งสมาธิแล้วเห็นนิมิตเราเห็นรูปแล้วเปลี่ยนไปไม่จบเหมือนความฝันที่ฝันไม่มีจบเรานอนภาวนาพุทโธต่อตานอกปิดแต่ตาในาเปิดเห็นแต่แสงสว่างจนถึงเข้าทําสมาธิ สติเพื่อให้หยุดฝันได้ไหมคะได้ถ้าเราใช้พุโทโธเราก็อยู่กับพุโทโธไปอย่าไปตามนิมิตเนี่ยอย่าไปสนใจกับนิมิตต่างๆถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวนิมิตต่างๆก็จะหายไปพอจิตสงบนิมิตก็หายไปเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความสุขที่ยิ่งใหญ่นี่คือผลที่เราต้องการนิมิตไม่มีประโยชน์อะไรมาก แด้อาจจะเป็นโทษได้ถ้าเราไม่รู้จักใช้มันปฏิบัติกับมันมันเป็นเหมือนมีดมีถ้าเอาไปใช้ประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ถ้าเอาไปใช้เป็นโทษมันก็เป็นโทษถ้าเราไม่รู้จักใช้นิมีดก็อย่าเพิ่งไปสนใจนิมิดนี้มันมีทั้งคุณมีทั้งโทษอยู่ที่เราจะรู้จักใช้มันหรือไม่คำถามจะคุณจินขอบ ถ้าดับวิภาวะตัณหาได้ตัณหาอีกสองตัวจะดับด้วยไหมครับมันคนละตัวกันมันคนละเรื่องกันนี <c> ่ <oughs> อยากได้แฟนก็เป็นตัวหนึ่ง <c oughs> อยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย <c oughs> ก็เป็นอีกตัวหนึ่งมันคนละตัวกันก็ต้องดับไปแล้วแต่ตัวไหนมันเกิดขึ้นมามีปัญหาตัวนั้นเราก็หาวิธีแก้มันไปดับมันไป เหมือนโรคต่างๆที่มีในร่างกายรักษาโรคหัวใจแล้วไม่ใช่หมายความว่าจะทำให้โรคอื่นมันหายไปเดี๋ยวโรคตับก็โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวโรคไตก็โผล่ขึ้นมาก็ต้องรักษาไปทุกโรคที่ปรากฏขึ้นมาคำถามจากคุณอรุณคนที่โดนรถชนตายถือว่าเขาหมดเวลาของเขาจริงๆเลยใช่ไหมคาเจ้าค ะ, ะไม่หมดแล้วมันจะตายได้ยังไง จะคุณหญิงโยมฝากเงินไปทําบุญแต่ไม่ได้ไปร่วมงานหล่อพระหรืองานบุญถ่ายชีวิตโคกระบือโยมจะได้บุญน้อยกว่าคนที่สละเวลาเดินทางไปร่วมด้วยตัวเองหรือไม่คะไม่หรอกบุญงินที่เราเสียสละบุญที่เราได้จากการเสียสละเงินนั้นก็เท่ากันส่วนที่เราขาดก็คือการไม่ได้ไปสัมผัสรับรู้ด้วยตนเองเท่า น, นั้นเองบุญส่วนนั้นเราก็ไม่ได้แต่บุญที่เสียสละ เงินทองที่เราให้ไปก็เท่ากันไม่ว่าเราจะไปเองหรือไม่ไปเองมันก็ได้เท่ากันหมดแล้วเลยการทาบุญนี้หมายถึงการเสียสละแบ่งปันประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่นจะทำโดยการไปเองก็ได้หรือการโอนเงินไปก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีปั๊บนี่ เราก็เสียสละเงินนั้นไปเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาทันทีไม่ต้องไปเองก็ได้ไปเองก็ได้ความสุขใจเหมือนกันเวลาไปถึงที่ที่เราโอนเงินนั้นไม่ต่างกันขอให้เรามีการเสียสละเพราะมันเป็นการปล่อยวางสิ่งที่เราอาศัยให้ความสุขกับเราแต่เป็น ที่พึ่งชั่วคราวที่ต่อไปเราจะพึ่งมันไม่ได้เวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็เลยต้องเอาทรัพสมบัติที่เรามีอยู่มาแปลงเป็นทรัพสมบัติที่ใจเอาไปได้คือเอาความสุขใจไปถ้าเรามีเงินทองเราก็ใช้เงินทองซื้อความสุขให้กับร่างกายพอร่างกายมีความสุขใจก็มีความสุขตามไป แต่เวลาไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินทองผลิตความสุขให้กับใจได้เราก็ต้องเอาเงินทองที่เรามีอยู่นี้ไปให้ผู้อื่นเพื่อทําให้เกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วเราจะเอาความสุขใจนี้ติดไปกับเราได้เวลาไปใจของเราก็จะมีความสุขถ้าไม่มีบุญไปใจก็จะไปแบบจืดชืด ถ้ามีบาปติดไปก็จะทำให้ใจทุกข์ใจวุ่นวายใจร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้คือผลที่จะเกิดขึ้นกับใจจากการที่เราทำบุญเพื่อทำบาปในขณะที่เรามีชีวิตอยู่จะคุณเชเบลลูกอยากเดินจงกรมแต่อยู่อาพาร์ทเมนต์พื้นที่น้อยเดินได้แค่สี่ห้าก้าวยังเดินได้อยู่ใช่ไหมคะได้มันสั้นขนาดสี่ห้าก้าวเลย อย่างน้อยห้องหนึ่งมันก็ต้องเดินได้สักสิบหรือสิบห้าเก้าแล้ลองหาเดวเดินดูมันต้องมีที่ให้เดินได้บ้างสี่ห้าเก้ามันก็เหมือนกันอยู่ในรูเนี่ใช่ไหมก็ไปในห้องมันก็จากประตูดเดินไปถึงหน้าต่างมันก็อย่างน้อยก็สิบเก้าแล้วก็เดินสิบเก้าถ้ามันเวียนหัวก็เดินแบบไม่ไม่หมุนกลับแต่เดินหน้าถอยหลังเดินถอยหลัง ยหลังดูมันก็จะบังคับให้เรามีสติมากขึ้นเราไม่จำเป็นจะต้องเดินเร็วหรืออะไรเพราะเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนา น, า น, านมันรู้สึกเจ็บปวดเมื่อยนั่งไม่ไหวก็ต้องลุกมาเดินหรือมายื น, ย, น, ย, นยืนก็ภาวนาได้ยืนภาวนาพุโทโธพุโทโธไปเดินก็ภาวนาพุโทโธไปเดินก็เดินหน้าพอสุดทางก็เดินถอยหลังแทน ช่วงเดินท้ายหลังมันก็จะทำให้เรามีสติมากขึ้นต้องคอยระมัดระวังแล้วก็เอามือยันอยู่ข้างหลังเผื่อไปเดินไปชนอะไระไปเดินไปชนสุดทางมันก็พอเดินได้แต่มันก็อาจจะไมะ่ไม่เหมือนกับตอนที่เราเดินแบบที่ยาวๆเดินไปแล้วก็หมุนกลับเดินทางเดินจงกรมที่เหมาะสมอย่างน้อยต้อง29ขึ้นไปยี่สิบเก้า ถือว่าเป็นขั้นต่ำบางท่านก็ชอบสามสิบเก้าเดินไปสาสิบเก้าแล้วก็หันกลับมาแล้วก็เดินสามสิบเก้านระหว่างยี่สิบสามสิบนี่เป็นระยะทางที่สบายเหมาะสมแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ต้องเอาตามที่มีอยู่ก็เดินไปแล้วก็เดินถ้ามันหมุน หันกลับแล้วมันจะเวียนศีรษะก็เดินแบบไม่ต้องหันกลับเดินแบบเดินถอยหลังแทนจะคุณฉลองทำไมเกจิบางองค์เมื่อมรณาภาพแล้วสารีละสรีละจึงไม่เน่าเปื่อยครับไม่รู้เหมือนกันนะก็ฉีดยาหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะบอกว่าทำไมร่างกายวันนี้ไม่เน่าเปื่อย ว่าถ้ามีการฉีดยามันก็กันไม่ให้เน่าเปื่อยได้ที่ไม่เน่าเปื่อยเพราะฉีดยาหรือไม่เน่าเปื่อยเพราะสาเหตุอื่นนี่ก็ไม่มีการมายืนยันแต่ที่มีการยืนยันก็คือกระดูกกลายเป็นาธาตุได้นี้มีการยืนยันว่าผู้ที่หลุดพ้นผู้ที่บรรลุถึงนิพพานแล้วกระดูกก็จะกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาบางส่วน จะคุณชัชะยาหลวงพ่อเคยแนะนํารุ่นน้องที่จิตกําลังตกคิดสั้นเรื่องความรักให้เขาไปเป็นจิตอาสาช่วยสัตว์หมาแมวทําหมันรักษาหาบ้านแล้วเขาทําอย่างที่แนะนําการที่แนะนําแบบนี้ทําหมันสัตว์จะบาปไหมคะไม่บาปหรอกบาปมันต้องฆ่าเขาทำร้ายร่างกายเขาอันนี้เป็นเพียงเหมือนกับการรักษาพยาบาลป้องกัน ไม่ให้เขาตั้งขันนะนี่จะคุณสมทรงคนที่นอนหลับไม่ค่อยฝันดีไหมเจ้าคะไม่ฝันมันก็กลางๆถ้าฝันดีมันก็ดีกว่าไม่ฝันถ้าฝันลายมันก็ดีมันก็มันก็ไม่ฝันจะดีกว่าแล้วแต่ว่าเราจะเปรียบเทียบว่ามันดีดีหรือไม่ดีอะไรถ้าถ้าฝันถ้าไม่ฝันลายมันดีกว่าฝันลาย แต่ถ้าไม่ได้ฝันดีฝันดีมันดีกว่าไม่ได้ฝันดีใช่ไหม you have question เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเอาไมโครโฟนไปนะมีบางคนชอบไปหาเงินโดยมิชาชีพแล้วเอาเงินก้อนนี้ไปทำทานทำบุญ คนพวกนี้เขาจะได้บุญขนาดไห น, นได้ส่วนที่เขาทำเงินส่วนที่เขาไปทำบุญเขาก็ได้เหมือนกับคนที่หาเงินโดยที่ไม่ได้ไปขโมยไม่ได้ทำบาปมาเหมือนกันก็เป็นการเสียสละแบ่งปันเหมือนกันนะแต่ไม่ไปล้างบาปที่เขาทำเนี่ยบาปที่เขาทำนี่มันยังต้องไปชดใช้ต่อไปโอกาสหน้าอาจจะถูกคนเขามาขโมยเงินของเรากลับขึ้นไปบุญกับบาปไม่มาล้างกัน เป็นคนละบัญชีกันทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปถึงแม้จะเอาเงินที่ได้มาจากการทำบาปมาทำบุญก็ได้บุญดีกว่าไม่ทำนะดีกว่าเอาเงินที่ได้มาจากทำบาปไปกินเหล้าต่อไปทำบาปต่อเอาไปทำบุญก็ยังได้ประโยชน์กว่าได้สร้างบุญขึ้นมาคอยต้านกำลังของบาปที่เราได้ทำไว้ เพื่อถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปบาปก็ยังไม่สามารถที่จะแสดงผลได้แต่บาปไม่หายไปบาปก็จะรอเวลาที่มันมีมากกว่าบุญมันก็จะมาแสดงผลต่อไปฉนั้นพยายามอย่าทำบาปดีกว่าถ้าจะไปทำบาเพื่อมาทำบุญนี่ขาดทุนเสียเวลาเปล่าๆสู้อย่าทำดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะโทษของบาปเนี่ยมันมันมันร้ายกว่า ผลของบุญไม่มีความสุขใจจากการทำบุญนี่มันก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมายกาดเท่ากับได้ความทุกข์ใจจากการทำบาปนะยันอย่าไปทำบาปเพื่อมาทำบุญช่วงทำบุญอาจจะได้ความสุขบ้างตอนที่เราทำบุญแล้วก็อาจจะรู้สึกมีความสุขใจเช่นเราเป็นโลเป็นฮู้อย่างนี้ เราก็เห็นคนรวยมันรวยเกินไปเงินมันมากก็ไปขโมยเงินคนรวยแล้วก็มาแจกคนจนแต่เราก็ไปสร้างบาปสร้างเวรกับคนรวยแต่เราก็มาสร้างมิตรกับคนจนอมันก็มีทั้งบุญทั้งบาปคนที่เขาเสียเงินทองเขากจะตามมาจับเราไปติดคุกติดตารางจับเราไปลงโทษน เราก็จะมีความหวาดกลัวมีความหวาดระแวงอยู่ไม่เป็นสุขถ้าไม่ไปขโมยเงินเข้ามาเราก็ไม่ต้องมาคอยหวาดระแวงว่าจะมีใครมาจับเราไปลงโทษแต่เราก็ไม่มีบุญไปทำบุญให้เกิดความสุขใจก็ไม่เป็นไรไม่มีความสุขใจดีกว่ามีความกังวลใจ มีความสุขใจแล้วมีความกังวลใจด้วยมมันมันก็ไม่สุขใจแล้วเพราะเกิดความกังวลใจขึ้นมาความสุขใจก็หายไปอนั้นถ้าไม่ทำบาปมันก็จะไม่มีความกังวลใจเกิดขึ้นถึงแม้ไม่มีความสุขใจอย่างน้อยมันก็ไม่เดือดร้อนยังนี้อย่าทาบาเพื่ อ, อามาทำบุญได้แล้วไม่คุ้มเสียทำบุญต่อเมื่อเรามีกำลังที่จะทาไม่มีเงินล้วก็ทาโดยวิธีอื่นก็ได้ ใช้กำลังกายชําระใช้กําลังวาจามาทําให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นก็ได้เจ้คุณเชเบลเวลาที่ลูกโอนเงินฝากญาติธรรมไปทําบุญเสร็จแล้วลูกสามารถอุทิศบุญกุศลให้กับคุณตาคุณพ่อและลูกที่จากเราไปแล้วได้ไหมเจ้าคะได้บุญก็คือความรู้สึกของเราเนี่ยแหละพอเราทําบุญเราก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมา เราก็แบ่งความสุขใจอิ่มใจนี้ไปให้กับดวงวิญญาณได้เพราะใจนี้ก็เป็นดวงวิญญาณเหมือนกันใจก็มีความสุขใจอิ่มใจก็แบ่งไปให้ดวงวิญญาณที่ไม่มีความสุขใจอิ่มใจได้แต่ไม่ได้แบ่งไปหมดนะั้นเปรียบว่าเงินบุญที่อุทินี้เป็นเหมือนน้ําที่ติดอยู่ค้างอยู่ในแก้วมีไม่กี่หยดแต่มันก็ดีกว่าไม่มีเลยแต่นั่นคือธรรมชาติของบุญอุทิฏฐิ งั้นเราที่มีชีวิตอยู่เรวเราอย่าไปหวังเอาบุญอุทิศเราเรีบทําบุญของเราไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้เหมือนกับดื่มน้ําเต็มแก้วดื่มน้ําทั้งแก้วทําบุญทีก็ได้น้ําแก้วหนึ่งดีกว่ารอให้เขาอุทิศบุญมาให้เรามีต่เศษน้ําที่ติดอยู่ในแก้วจะคุณวิสุวัตการวางอุเบกขาของจิต ควรจะเริ่มต้นทำอย่างไรครับ อ, อ๋อต้องใช้สตินะต้องพุโทโธพุโทโธหยุดความคิดทำจิตให้นิ่งให้สงบแล้วพุโทโธแล้วอุเบกขามันก็จะปรากฏขึ้นมาทำบ่อยๆมันก็จะเป็นอุเบกขาได้นานขึ้นได้ยาวขึ้นไปถึงแม้ออกจากสมาธิมามันก็ยังมีติดออกมาจากสมาธิได้แต่จะได้นานไม่นานก็อยู่ที่ว่าเราทำมากทำน้อยถ้าทำบ่อยๆทำมากๆ พออุเบกขาเวลาออกจากสมาธิมาอุเบกขาหมดก็กลับเข้าไปทําสมาธิใหม่คอยเติมมันอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็จะมีอุเบกขาทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิและขณะที่เราออกจากสมาธิมาหมดแล้เลยมีใครอยากจะถามอะไรอไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา